พะวะโตอระหะตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะวะโตอระหะตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะพะวัตตออระหะตสัมมาสัมพุทธะเอะเอามือลงได้เลยสรุรวมสรุรวมกายวาจาใจจิตใ จ, ใจ เวลานี้เวลาสะดับตรับฟังธรรมะอย่าส่งใจทาเท่าที่ทำได้แต่หลักการของการฟังธรรมะที่ดีก็คือไม่ต้องส่งใจมาสู่ผู้พูดทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติเป็นการปฏิบัติธรรมะในขณะที่ฟังนั่นละครั้งพุทธกาลท่านก็นดำเนินการอย่างนั้นการฟังธรรมะธรรมโมธรรมะจริงๆก็คือความเป็นปัจจุบัน ถ้าเป็นอดีตอนาคตเราเป็นทำเมามันจะเมาไปสู่อดีตอนาคตความไม่จริงธรรมะจริงๆก็คือความปัจจุบันตั้งสู่อยู่ปัจจุบันลงสู่ความเป็นปัจจุบันทําไมมันจะเป็นปัจจุบันละ่ะเ อ, อเราถึงแบบมีการตั้งตั้งขึ้นมาเพื่อรับเอากระแสะของจิตของใจของอัดของทมออกไปจากโอวาทวารจาของผู้ให้อวาทนั่นเห็นไหมอาจารย์มันมีขณะนี้มันมี ข, มม ข, มมขบวนการเรียนรู้ขบวนการปฏิบัติธรรมะ มีนิสิตมีอาจารย์ในตำแหน่งของแต่ละคนพระรูปพระหลานมาอยู่ในตำแหน่งของอาจารย์นัเห็นไหมความชํานาญของแต่ละคนแต่ละศาสตร์มันไม่เท่ากันต้องยอมรับความเป็นจริงอยู่กับความจริงยอมรับความเป็นจริงอย่าไปดื้อด้านแข่งดิได้แข่งเสียอะไรกับใครยอมรับสภาพของความเป็นจริงเราเป็นผู้เลื่นรน่นไขว่คว้าเ ส, สะแสวงหาความรู้ความฉลาด ในขณะที่มันยังไม่ฉลาดในขณะที่มันยังไม่รู้ไม่ว่าศาสตร์ไหนทั้งนั้นละ่ะมันจะมีกระบวนการเรียนรู้กระบวนการทําำไปจานานเราริ่มเรียนอยู่ในสมัยโรงเรียนทุ <c oughs> วกว่า น, นี้มองเห็นเกวียนเดินมาเราก็รู้ว่าเวียนนั่นล่ะเวียนนั่นล่ะรถแต่สมัยโรงเรียนอยู่ฉนันปถมเป็นไงละ่ะครูภาษาไทยต้องสอนวิธีสะกดการัน เขียนอย่างนั้นทำอย่างนี้อ่านอย่างนั้นโรเคยมาแล้วครูภาษาไทยอหาวิธีอ่านหาวิธีสอนหาวิธีที่มันจะจดจำได้ง่ายทำยังไงมันจะจดจำคำว่าเกวียนเขาสอนให้แยกออกเพราะมันโง่อย่างั้นล่ะมันโง่ขนาดนั้นหละต้องมาแยกเกวียนท่องอยู่นั้นแ่ละเอาไปหนาตายกว่าจะจาได้คาว่า v เกวียนพะมาเขียนก็เขียนตาม v เกวียนพอมาควบ ประกอบกันเข้ากับอ่านว่าเกวียนจริงๆนั่นในในขณะที่ฝึกฝนเบื้องต้นแค่ภาษาพอมันชํานาญแล้วเห็นไหมเขีนเกวียนมาก็ยิงรู้ว่าเกวียนเขียนก็ถูกอ่านก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปสกัดสะกดแยกหน้าแยกหลังเหมือนครั้งนั้นเพราะอะไรละ่ะเพราะการเรียนรู้มันทําให้เกิดชำชำชำนิชํานาญไม่ต้องไปสะกดว่าเกวีวีว่ายนอย่างเก่ามองไปปรากฏเขียนอย่างนี้ยว่าเกวียน อ่านก็อ่านว่าเกวีนรู้ว่าเกวียนเป็นยังไงรู้กระทั่งว่าเกวียนมันมีองค์ประกอบยังไงใช้ประโยชน์ใช้สอนมันยังไงเห็นไหมนั่นข้างนอกย้อนกลับมาเข้ามาภายในเรื่องภายในปัญหาของพวกเราอยู่เวลานี้เป็นปัญหาเรื่องอะไรล่ะปัญหาเรื่องชาติชราพยาธิมรณะนั่นเห็นไหมล่ะสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เรามีชาติเป็นพุทธ กำเนดเบื้องต้นชาติเกิดขึ้นมาแล้วอุบัติขึ้นมาแล้วในขณะที่มันำดำรงตนอยู่นั้นมันมีความธรรมชาติหนึ่งทํามาทําหน้าที่ก็ ค, คือความชราข่ําคร่าความแก่ความชราข่ําคร่ามันมาทําหน้าที่มาปรากฏขึ้นมาตามวัยไม่มีเช้าสายบ่ายค่ําไม่มีพักเที่ยงอย่างพวกเราชีวิตสังขารจะไม่มียตุติตอนไหนเป็นขณะที่ว่าพัก มันจะดำเนินกันอยู่ตอลอดเวลาเวลาในวัดทาหน้าที่ของเขาอืมชาติชราพญาธิเอถัดมาต่อมาก็เติมเต็มเข้ามาให้สมบูรณ์ในความเป็นอืมเรื่องความเบียนไหวตายเกิดก็คือความชราค่ําค่าความเจ็บความป่วยพญาธิมรณะมันก็ทํางานต่อมาอย่าคิดว่าเป็นเครื่องมาทําร้ายทําลายใครมันเป็นองค์ประกอบของวัดตสงสารวัดต่สงสารนีเน่เป็นของมันอยู่อย่างนั้นล่ะเวลานี้เรา ติดปัญหาเรื่องทำข้อสอบไม่เป็นทำข้อสอบไม่เป็นหาคะแนนไม่เจอทำคะแนนให้เจ้าของไม่ได้มันถึงมากไม่ทะลุทะลวงไม่ได้ปรากฏเป็นคะแนนสักทีออกี่ปีกี่เดือนกี่พกักกี่ชาติพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมายังโลกมนุษย์ไม่ใช่เนน้อ ย, อยเป็นมากี่ล้านพระองค์แล้วพวกเรายังสอบตกอยู่ล่ําไปมาเป็นผู้เกิดผู้ตายเวีอวไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารซึ่งไม่น่าจะเป็นไป ไม่น่าจะชราใจขนาดนี้พวกเราทําไมพระเจ้าอุบัติขึ้นมายังโลกมนุษย์พระพุทธเจ้าประธานพระโอวาทแต่รับรองค์ประธานเรื่องอะไรโอวาทเรื่องอะไรอโอวาทคําออสอนของพระเจ้าต่างกันตรงไหนพอที่จะมาชราใจว่าเราเกิดอืมที่หลังมาไม่ได้เยินเรื่องอัดเรื่องทำซึ่งเป็นสัจจะความเป็นจริงอพระเจ้าอุบัติขึ้นมาก็พรําสอนพรรณนาเรื่องความดีความชั่ว ว่าคําสอนของพระองค์ถ้าพระองค์มาหยิบมายือ้อมาเช้าช่วยพวกเราได้อย่างที่พวกเราปรารถนาพวกเราไม่ได้มาเกิดมาตายขนาดนี้เพราะพระองค์เป็นผู้มีปัญญามหาศาลขนาดเมตตาก็ยิ่งกว่าใครในสามโลกธาตุยิ่งกว่ า, าศาสนาคือพระพุทธเจ้ามีเหลื อ, อพระเจ้าเป็นเลิศในทุกๆขบวนการก็ยังช่วยเหลือพวกเราอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะพระองค์ได้แค่ประทานเป็นพระวาา สัพพะปัสสะกันนังกุสละสูส้ปัสัมปธาสกษษิตะประโยชน์ทปาณังเอตังพุทธานาซาสนงนี่เป็นโอวาทเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์สอนกันอย่างนั้นแม้แต่องค์ที่จะมาอุบัตเครื่องนั้นข้างหน้าก็ไม่พ้นต้องสอนเรื่องนี้ประทานโอวาทเรื่องเหล่านี้ล่ะพวกเราก็จนพูดได้กระทั่งพูดได้เอามาเป็นบทสวดช่วยซ้าไปทําไมมันไม่เป็นทําไมมันไม่รู้ทําไมมันไม่เห็นทําไมมัดลับเคื่อนจิตใจให้มันรู้มันเห็นว่ากระบวนการเหล่านี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น ถ้าไม่ใช่ความดื้อด้านแ ข, แข่งดื้อแข่งดีอวดดีอวดดีของพวกเรามันจะเป็นอะไรพวกเรามันอวดดีืยอะแยะแข่งดีแข่งอัดแข่งทมแข่งอยากตกแต่งให้เรื่องธรรมเป็นอย่างเราโอวาทของพระองค์เจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นเนีเ่ยนิยานิกัดเป็นเนตีแบบฉบับพวกเราก็ไม่ชอบซะหาว่าเกินอยากจะตกแต่งให้ธรรมะเป็นแบบเราถ้าธรรมะเป็นแบบเราธรรมะไม่พ้นต้องเป็นล้านล้านกอง เพราะนาณาสารนานาณาจิตตังนาณาจิตตะนานาจิตใจมันมีแต่ความเอ่อนเออไม่มีสาระหลักปักที่เรียนก็คือจิตใจของพวกเราว่าจะเอาจริงเอาจังละ่ะมันได้แค่เดี๋ยวปเด๋ยวมันก็ล้มละเลละนาไปกับมันมีแต่ความเออ่อนแออะไรนักหนาละ่ะแค่พระองค์ประทานเป็นโอวาทแล้วก็อยากจะให้ตกแต่งเรื่องธรรมให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพอที่หยอด อนุมาณได้พอที่จะจินตนาการตามได้บ้างอย่างนั้นมันเกินไปหาธรรมเบาๆหาธรรมอ่อนๆหาธรรมที่เหมาะสมกับเราหาธรรมนิ่มๆหาธรรมที่เป็นบรรลุ ง, ง่งายๆทางสายตรงกว่านี้ง่ายกว่านี้ไม่รีหรือเราเป็นผู้อ่อนแอหาธรรมเบาๆทําอย่างนั้นก็กลัวจะเกินอันนั้นก็เกินอันนี้ก็เกินเกินไปมันเกินไปเห็นไหมล่ะอย่าย่ิมันเกินเกินไปมันจะทะลักล้นฝั่งมันจะกลายเป็นอื เร่งเกินไปผิดหลักคำสอนต้องมัชชิมาต้องพอเหมาะพอเหมาะาเห็นไหมละ่ะเอามัชชิมาของเจ้าของมัชิมาแบบอ่อนแอของเจ้าของเอาความไม่ง่ายเอาความแบบไม่ง่ายของเจ้าของมันก็เลยอยากจะได้อัดได้ทำแบบไม่ง่ายมันก็เลยไม่ได้สักทีมึงก็เลยมาเป็นพูดเบียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารแล้วและเา่เาเล่าการเบียนไหวตายเกิดการเกิ ด, ก า, ก, ดการตายไม่ใช่ของดิบของดีนี่นะ่ะ ใครก็เป็นมาแล้วเราก็เป็นมาแล้วแล้วเราจะเป็นต่อไปอีกอันนี้ก็ชาติอันนี้ก็ชาติที่สร้สร้าหลั ง, ส, าางสั้นทาวิสั้อนอดิบิสั้นเหมือนกับไฟไม่บ้านนั่นละ่ะอันนี้ก็ชาติที่มันเป็นมาเป็นไปมันจะเป็นไปแล้วเพราะมันเป็นมาอย่างนี้เราไม่เบื่อบ้างหรือใ น, นชาติใน่ามกลางของความเป็นชาติมีอะไรบ้างถ้าคารังเวสันโตดุ้าชาปิปุณปุณงังท่านว่ายอย่างนั้น ในท่ามกลางของความเกิดเวียนว่ายตายเกิดนั่นละ่ะรสชาติของมันคืออะไรทุกแล้แล้วเล่าๆนับไม่ได้ประมาณไม่ถูกทุกข่าชาติปูนับปูนงังท่นว่าอย่างนั้นตามหลักที่โอวัตคําสอนที่นับปราชท่านว่าไว้มันหน้าไหมล่ะพวกเราเราเรามาหาเลือดกระปูหาความสุขจากความเป็นอยู่ของถาดขันหาความสุขเปงไงอย่างนั้นอย่างนี้เอาความสุขมาจากไหนขันห้ามีอะไรรสชาติของมันขันห้ามีอะไร มันมีอะไรยิ่งกว่าความทุกข์ท่ามกลางของความเกิดก็คือความทุกทุกแล้วทุกเล่าทุกแล้ ว, ท, ลวทุกอีกทุกเพราะอะไรล่ะทุกเพราะอะไรทกเพราะธาตุขันมันโดดมยาย่ำคอเราเหรอทกเพราะเราไปหมายมั่นตั้นมือว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นเราอยากจะให้เป็นหรือไม่อยากจะให้เป็นดังความอยากและไม่อยากของเรา นั่นแหละกิจการของเราก็คืออะไรคาดคาดขันมันได้มาแล้วขันคาดคือขันของมนุษย์ร่างของมนุษย์นี่คืออุปกรณ์ของมนุษย์ก็คือร่างของมนุษย์คือร่างของขันหนออ้ากายก็คือส่วนรูปประขันรูปธรรมในรูปธรรมนั้นมันมีธรรมชาติหนึ่งก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมาเราก็มีอยู่สมบูรณ์ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องในรูปขันหน้าของมนุษย์เรามีพร้อมสมบูรณ์หมด เรามีอยู่ขณะเหมือนกันทุกผู้ทุกนามทุกรูปทุกนามทุก ผ, กผู้ทุกคนมีอย่างเดียวกันมีเรื่องเดียวกันก็คือขันท่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเป็นขันท่าของมนุษย์เป็นผู้ที่มีมความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่ากระบวนการเวียนว่ายตายเกิดในสามโล ก, กาธาตุนี้ไม่มีใครยิ่งกว่าพวกเราคือความเป็นมนุษย์มนุษย์สัติลาภโอความเป็นมนุษย์เป็นผู้ทีมีลาบอันยิ่ง พวกเราเป็นมนุษย์แล้วเวลานี้เป็นผู้มีลาภอันสมบูรณ์สมบูรณ์มากแต่พวกเราทําไมไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีความสมบูรณ์ปูนผลอย่างที่พระองค์ตรัสเล่าเพราะพวกเราไม่ทําเอาปฏิ ก, กอรตัวนี้มาทําเกิดปฏิกิริยาของโรงงานผลิต ธ, ธรรมะโรงงานผลิตความสุขโรงงานผลิตบุญเออกิริยาการที่ขับเคลื่อนออกไปจากขันห้านี่ละถ้าเราขับเคลื่อนไปในทางพลังงานของความดีมันจะเกิดพระอนิสงส์ของคุณงามความดี แน่ใจได้ขนาดนั้นล่ะเหมือนกระจับวางจับวางมั่นใจได้ขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะขาดเพื่อนจากเจตนาซึ่งเป็นกุศลนสรพพบาปะะภาษาสรรพบาปอย่าไปทำเพราะทำแล้วมันทําความเดือดร้อนอนาถรร้อนใจในภายหลังในขณนะทําก็ร้อนรนแล้วภายหลังก็เดือดร้อนวุ่นวายเราไม่น่าทําทํำในอย่างนั้นได้ยังไงเพราะตอนทํามันไม่ได้มีสติสตังพอที่จะคิดได้คิดอ่านแต่ตองใครครวนแต่ตองดูไหม มันไม่มีมีแต่ความทลักลน้ลนล้นฝั่งล้นฝั่งเพราะความอยากมันขับขับเลื่อนผลักดันให้เกิดความอยากจะทําความต้องการจะโพูดความต้องการจะทําทําไปแล้วก็เดือดร้อนทําไปแล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายตลอดแล้วก็ ด, ด, ด้านหน้าด้านทําแบบเก่านั่นละทําไมไม่เอามาเป็นแนวคิดข้อคิดบ้างเราทำมาแล้วพูดอย่างนั้นก็พูดมาแล้วทําอย่างนั้นก็ทํามาแล้วออยากช้าลามกก็เป็นมาแล้วเป็นมาด้วยอํานาจของตปะทำเหลื ment, อเป็นอํานาจของความอ่อนแอ ความอดความท่ากลั้นกับความอ่อนแอมันต่างกันเราไม่มีความอดความทนเราไม่มีความภาคความเพียรเรามีแต่ความเป็นไปกระมันมันมาเพลงไหนมันมาช่องไหนสารนังคัตฉามิไปหมดสิ่งที่เราปฏิญาณตนตะกี้นี้ว่าอะไรเอพุทธังทำมังสังคังสารนังคัตฉามิข้าพเจ้าจะน้อมนานับถือซึ่งพระพุทธรัตนตรัยเือพระพุทธรัตนพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ฝากเป็นฝากตายฝากจิตฝากใจกับพระรัตนะตรัยแต่ความประพฤติของเรามันเหลวแหลกแหลกไปคนละช่องทางกับความปฏิญาณต้น เวลานั้นจะจะมาคว้าผลหมายผลตามปรารถนาที่เราอธิษฐานอยากอยากจะมีความเจริญจเจริญรุ่งเรือง เ, เพราะอะไรเพราะความเหลวแหลกนั้นมันไม่มีทางเป็นความเจริญเพราะอะไรล่ะพนคนละแนวทางกับการปาฏาริย์กับการการะทําความกระทํากับการปรารถนาไปคนละช่องทางแล้วจะขึ้นมาชั้นสามอาคารห้ามันไปคนละทางจะไปขึ้นอาคารเก้ามันเป็นคนละทิศแล้วถ้าไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาก็จะพอซอยสับลีกมาได้เพราะเขามีทางเชื่อมเห็นไ้มล่ะ ไปไหนก็ตามหลักขอให้มีความมุ่งมั่นที่จะมาสู่สำนักของอัดของธทำมเมาเพื่อสระตรับฟังมีความขนขวายกิริยาการที่ความภาคความเพียนมันเพิ่มขึ้นไปอีกแต่มาสายตรงกับทางอ้อมมันต่างกันมาทาง อ, อ้อมามาทางตรงเสียเวลาเสียพลังงานเสียความรู้สึกแปลต่างๆ น, นนะครับตามเรื่องตามราวของความงอกและความฉลาดพาดําเนินนั่นทุกคนนั้นแหละมันมีขีดคาดคาดเคลื่อนมันมีใกล้มีไกลมันมีหยาบมีละเอียดแต่เพื่อแก้ไขเพื่อถอดถอนเพื่อความรู้ความฉลาดทําไมทำไม มีวัฒนาการจากเกวียนมาเป็นเวียนขึ้นมาโดยขนาดที่มองเห็นเฉยๆก็รู้ว่าเวียนจากการกระทําบริกรรมพดโธพดโถโดยความลากลากจูงๆจนกระทั่งเกิดความชํานาญไม่ต้องพดโถยากกาหนดปุ๊บลงถึงฐานปั๊บนั่นเห็นไหมล่ะเป็นมาอย่างนั้นเป็นมาด้วยความมือตกแต่งเจ้าของเป็นได้จริงๆไม่ใช่เป็นไม่ได้เพราะนักปราชญ์ท่านว่าไว้เพราะเราก็เดินตามช่องทางของนักปราชญ์ทำไมจะไม่เป็นเกลียวเขามีอยู่แล้วเรา เ, ออเรารีดตัวของเราอย่าไปเกกะระรานแข้งขา้ามื่อเกกะระรานเข้าประตูไม่ได้หรอกประตูเขามีจํากัดจํากัดเท่านั้นเซนเท่านี้เมตรแล้วก็พยายามรีดตัวให้ได้เท่านั้นเซนเท่านี้เมตรมันจะรีดกัตัวเข้าไปเพราะทำเป็นธรรมเป็นนิยานิคะไม่ขยายไปตามความเห็นทิฏฐิมานะของใครทั้งนั้นละ่ะทิฏฐิมานะความรู้ความเห็นของจิตจะรวงไม่เหมือนกันบางคนหยาบบางคนท่ามกลางบางคนละเอียดเพราะฉะนั้นธรรมมาถึงว่ามีมาตรฐานเดียวกวันนิยานิคธรรม พวเรามันไม่อย่างนั้นนี่หาทางง่ายมาให้เราบ้างเถอะหาว่าคําสอนหาวิธีปฏิบัติที่มันง่ายๆราบรื่นยิ่งกว่านี้อันนั้นมันยากไปแล้วก็มาแบมือขอหวังผลอะไรล่ะใครจะมาให้ผลได้นักหนาธรรมมีช่องเดียวธรรมะคือวิมุตติธรรมมีช่องเดียวอืไม่เหมือนสมมติสมมุติมันมีเกลื่อนสามโรกธาตุนี่สามโลกธาตุมีเฉพาะสมมุติคอย ตอบสนองพวกเรามีอยู่เกลื่อนกลล้ว น, นวายไปหมดนั่นแหละเราชอบความวุ่นวายชอบความเกลื่อนกลนชอบโลกเหรอฮึ่มโลกมันเป็นข้อมันอยู่อย่างนั้นธรรมชาติของโลกมีอะไรเนี่ยมีแต่ความสิ้นความเสื่อมมีแต่ความไม่กิรังยั่งยืนเ อ, อเราตถาคตอุบัติก็ทํามไม่อุบัติตรก็ตามสภาวะของความเป็นจริงก่อเป็นอยู่อย่างนั้นละ่ะนั่นเห็นว่าละโอวาทคําสอนของนักปราชญ์คือพระเจ้าประธานเป็นโอวาทไวใครยังไม่ฉลาดยิ่งกว่าพระพระทะุทธเจ้าล่ะ อาศจัรยร์ไหมอาสจัรย์ผู้พระเจา้าพระพุทธเจ้าฉลาดขนาดนั้นละ่ะเป็นผู้บริสุทธิ์ผดผ่องเป็นผู้เลิศล้ำมากอล้ำเลิศมากคือพระศาสนาคือพระพุทธเจ้าทั้ัญญาก็ยิ่งยิ่งกว่าใครเมตต า, าก็ยิ่งกว่าใครอืราะนั้นพระองค์ก็ยังช่วยเหลืออะไรพวกเราตามความปรารถนาของพวกเราไม่ได้ได้แค่ประทานเป็นพระโอวาทคำสอน ว่าว่าคือคําสอนเรื่องจะรู้จะเห็นจะเป็นหรือไม่เป็นปั้นอยู่ที่หยิตแต่ละดวงจะจะเกียกแต่ไขว้ขวาขนขวายเอาตามความภาคความเพียสรสลับสลับฟังมาได้ยินได้ฟังมาเอามาครุ่นคลิดคล้ครวนตรายตองดูอะไรมันชอบไม่ชอบอะไรมันมีเหตุผลไม่มีเหตุผลถ้ามีเหตุผลไม่อยากทําก็ต้องทําไม่อยากพูดก็ต้องพูดไม่อยากคิดก็ต้องคิดเพราะมีเหตุมีผลเพื่อเป็นไ ป, น ป, น ป, นปนตามเหตุผลที่สมควรเพื่อเจให้เสร็จน้ำให้จิตมีความ เรียบร้อยขึ้นมาจิตจะเจอสถานีจอดจิตจะมีที่อยู่จิตจะมีสรรนาจิตจะมีที่พึ่งไม่ชอบก็ต้องทําต้องคิดต้องทําเพราะอะไรล่ะเพราะหลักเกณฑ์ของเหตุของผลไปช่องนั้นไม่ใช่ว่าเราชอบถึงจะถูกสลกกะเรานั้นความชอบของเราเอาประมาณไม่ได้เพราะเรามีกิเลสเต็มหัวใจเขาคือเราแต่ธรรมะบัญญัติญาณิกาเป็นเครื่องกรองเป็นเครื่องนําออกจากทุกสรรพทุกข์ทั้งหลายออกได้เพราะธรรมะ ธรรมะมีอะไรบ้างล่ะคือไตรสิกขาศียนก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งสมาธิก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งศียนเป็นธรรมอย่างหยาบสมาธิเป็นธรรมธรรมกลางปัญญาเป็นธรรมอย่างละเอียดแต่ไม่เหลือวิสัยสําหรับเรื่องจิตเตื่องใจจิตใจนี่จะสามารถดํารงตนอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาได้ทบกระบวนการเพราะเป็นเครื่องดําเนินไตรสิกขาประธานเป็นโอวาดไว้ละไม่เป็นอื่นสิ่งที่ว่าเป็นอื่นเพราะอะไรเพราะเราอ่อนแอเราไม่ไหวเราไม่ได้เราไม่เป็นเราอยากจะแบบสะดวกสะดวกของเรา เราออกแบบของเราเราว่าเป็นมาพอเหมาะพอดีหนึ่งอย่านั้นก็สุดตรงอันนี้ก็เกินไปเห็นไมะ่ะไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบทั้งนั้นละ่ะความชอบความไม่ชอบมันเป็นอะไรเป็นเครื่องผลักดันเให้เชื่อได้เลยว่านั้นมีธรรมชาติความผลักดันก็คือเจ้าของโลกโลภมุนโทสามูนโมหมุนมันจะขับดันไปไหนมันจะขับเคลื่อนจิตใจเราไปไหนมันไปเชื่อเพื่อมากเพื่อผลตรงไหนมันไปเพื่อนรกหมกไหมทั้งนั้นละ่ะเพราะเปนอุปกรณ์ เป็นฐานของมันเป็นฐานขี้ฐานเยี่ยวของมันเกียรติของเรานั่นแหละเป็นสารที่ระมายโมดโคตรของตันหาสวคัคเเลศภาษาธรรมท่านวัดแต่ความจริงมันอยู่ที่เราเป็นเราดูดูให้เห็นดูให้เห็นทําไมเป็นเราทําไมว่าเราก็เมื่อเช้าเนี่เป็นไงละ่ะอ้อยอิ่มกับมันถนาดไหนกว่าจะลุกได้กว่าจะตื่นได้กว่าจะมาง่วงเงียวแทบนั้นทนํานี้ถ้าได้ถ้าไม่ใช่ความเป็นมนุษย์บังคับตายแล้วพวกเรานั้นน่ะ จมปลักไปกับมาแล้วแต่ด้วยความเป็นมนุษย์ด้วยความเป็นผู้รับหน้าที่เปนผู้มีภาระเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนนั้นส่วนนั้นส่วนนั้นก็าทาตามหน้าที่ของเจ้าของผู้มีหน้าที่คนนั้นปฏิบัติตามหน้าที่เห็นไหมละ่ะเหตุผลพาตื่นละถ้าไม่เอาเหตุผลซึ่งเป็นอาจาเป็นทํามอ้ยมันจมปลักอยู่ที่นอนตั้งแต่เช้าจนตอนนี้มันจะตื่นหรือยังถ้าที่มันลุกขึ้นมาได้ ง, ง, ง่วงเยอะขึ้นมาได้เพราะพลความฝ่ายฝืนมีเหตุมีผลเห็นไ้มเราเป็นนักปฏิบัติแล้วแต่มันไม่เห็นว่าเราเป็นนักปฏิบัติมมมััันนนไไ่เเเห็พรราาะกลวดด้ี มันกลัวเราได้ดมันกลัวเราได้หน้ามันกลัวเราได้โอกาสเรามันกลัวเราจะได้ชนะมันมันกลัวจะตายกลัวเราชนะมันคิเลยมันจะเอามีอำนาจเรื่องอำนาจอยู่ในจิตในใจของพวกเราพวกเราจะเป็นทาสมันตลอดเพราะมันไม่ให้เห็นไม่เห็นหน้ามันหรอกขนาดพวกเราได้คะแนนมันก็ยังไม่เห็นว่าได้คะแนนมันจะปกปิดมันจะหมกเม็ดอยู่ตลอดเวลาเพราะอำนาจของตันหาสวามันฉลาดยิ่งกว่าเราเราก็ลัวว่าเราโง่เราจะจมปลักไปกับความโง่ตลอดสายนั้นเหรอ เราก็ยกธรรมะองค์วัดคาสอนของาศาสดาของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ของนักปราชญาของบัณฑิตจะเป็นเด็กก็ตามละ่ะขอให้เป็นเหตุมีเหตุมีผลมีตะกลางความเป็นจริงมีน่าจะเป็นจริงหรือเป็นจริงเอามาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติเอามาเป็นเครื่องขับปลอมเอามาเป็นเครื่องบันเทาความเมื่อความบอดความหลงมันจะหลงไปกี่เมื่อกี่วันกี่เดือนกี่กับกี่การให้มันหลงไปให้มันเมื่อยไปตะวันขึ้นมาดวงอาทิตย์ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเหมืนกับสว่างตามกําลังของแสงดวงอาทิตย์นั่นแหละแต่มันยังไม่สว่างเท่าของดวงของปัญญา ปัญญามันจะทำลายทำลายกระบวนการความเมื่อดมิดปิติวานหมด น, นะหล่ะมันจะเมื่อยู่ทางไหนมันจะเมือ่อดูทางกายทางวาจาทางจิตทางใจเมื่อไปเถอะมันจะเมื่อมาเท่าไหรก็เมื่อไปเมื่อมนตรการมาไม่สำคัญสำคัญคือปัญญารู้ขึ้นมาปับ๊บมันจะทะลุทะลวงไปหมดเพระพุทธเจ้าตรัสว่าเรื่องสังขารเป็นอะไรนิยานี่การทำที่พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นประธานโอวาทไว้เราตะทาคตเกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามอุบัติก็ตามไม่อุบัติก็ตามสภ า, าวธรรมมันเป็นของมันอย่างนั้นนัน่นว่าอย่างนั้น่ะในคําในคัมภี์ว่าอย่างนั้น่ะ สัพเพสังขารานิจาสัพเพสังขารถูกฆ่าสัพเพธรรมานตาตินันทวาอย่างนั้นได้นั่นเรียกว่านิยานิกระทามย่อเป็นอยู่อย่างนั้นล่ะแต่จิตใจยมันไม่เห็นมันไม่รู้มันไม่อ่านมันไม่เรียนเพราะอะไรล่ะเพราะมันจากจากใครควรแต่ตองม้าวุ่นขุนมัวอยู่กับกามกิเลิกามาุนเฮ้อย่างเชว่าการมาโทษล่ะเพราะมันมีแต่โทษมีแต่เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องรักเรื่องชังมันทำให้จิตใจรัววุ่นขุนมัวเพราะโทษความเป็นโทษของมันล่ะแต่ว่ากามคุณมันขุนตรงไหนล่ะ พอใจหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับเคืองกามะกามักเล็กามะ ม, ม, ม, มีของหยาบของต่าของโผติชนเพราก็ขาโผติชนมันถึงเข้ากันได้สนิทใจแต่เราพอใจไหมล่ะถ้าเราไม่พอใจก็ถอนตัวขึ้นมายกขึ้นมาเอาอรรถธรรมเป็นสรณะดังคําปฏิญาณว่าทำมังสรณังคัจฉามิเราปฏิญาณไหว้อย่างนั้นกิริยาการของเราก็ให้เหมือนใกล้เคียงกับคําปฏิญาณตนบ้างเพราะฉะนั้นมันทั้งมีการ ถ้ขัดขืนมันบ้างฝ่ฟาฝืนท่านทานมันมันไม่ง่ายก็กรู้ก็รู้ว่ามันจะง่ายได้ยังไงเราชิงแชมป์เรารท้าชิงเราเป็นผู้ท้าชิงเจ้าของแชมปเขาเป็นใครโลภะมูลความรักความชังความอ้อยอิ่งความเป็นโลกเจ้าโลกของคือเขาเขายึดครองโลกหัวใจของเรานี่ถูกครอบงมด้วยตันหาสวะกิเลส มันมาเพลงไหนมาช่องไหนแทบจะสลบสลายไปกับมันหมดเพราะมันมีแต่ความปรารถนาดีเจตนาดีกับเรามากไม่ได้นานเสียเวลาอะไรต้องไปเสียส่วนนั้นต้องไปมีส่วนนี้เสียเวลาในทำส่วนนั้นส่วนนี้เห็นไหมล่ะถ้าเราไม่มีปัญญาเหนือก่บมันมันจะปิดกั้นทางเดินของเราไปซะหมดนหละ่ะมันไม่จะให้เราก้าวไม่ออกก้าวขาไม่ออก จะรักษาศีลก็ไม่ได้เราเป็นชาวบ้านลูกชาวบ้านจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไรการรักษาศีลเป็นเรื่องของสาํานักเป็นเรื่องของขีปรามุธเป็นเรื่องของผู้อยู่วัดเรายังหนุ่มแน่นขนาดนี้จะไปรักษาศีลโอ้ยไอ้คนเห็นไหมละ่ะทําดีมันยังอายคนที่มันทําชัว่วทํางไมไม่อายด่ามันตอนนั้นเลยอืด่าเจ้าของด่าตอนนั้นเลยขังหลับตอนนั้นเรยกว่าพูดปฏิบัติปฏิบัติทำสมคําว่าเป็นเป็นผู้มีมุญญาธิคารมีวาสนาได้ยินได้ฟังขนาดนี้ต้องต้องต้องแก้ไขตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นย้ายมันได้ใจ อย่าให้มันกำเริบเป็นพิษเป็นภัยยิ่งกว่านั้นถ้ามันแน้นหนามันคงจะมันฉลาดยิ่งกว่านั้นเราจะเอามันไม่อยู่ไฟไหม้เทศบาลมากี่ครันก็มาเถอะรถดับเพลิงนั่นแหะเอาไม่อยู่หรอกในขณะที่มันไหม้ก่อนที่มันจะโหมขณะนั้นมันเริ่มต้นไหม้นิดๆหน่อยๆเพราะว่าแบบเราดับได้ตามกําลังของเรานั่ะล่ะเราทําไมไม่ดับโกโนฮาโถจิมานันโดนิจังปัตชลุโตสติอืมมีอะไรล่ะทําไมไม่ขนขวายออกไปทําไมไม่นําทรัพย์สมบัติออกจากมันบ้าง ไฟมันไม่บ้านอยู่มีอะไรก็ขนออกมันบ้างที่พอที่จะเป็นประโยชน์ได้บ้างอยู่ออพวกเราเห็นไฟไม่บ้านแต่ไม่สนใจไม่อะไรอาวรในทรัพย์สมบัติพอที่จะขนขวายออกได้อยู่ไม่เอา อันนี้ไฟชาติชราพยาธิมันไม่ธาตุไม่ขันมันไม่ขันห้ามันไม่ร่างกายของมนุษย์เราผู้ยืนดูนั่งดูนอนดูมองดูทำตาเปลีบเปบอยู่เราไม่ขนขวายเราไม่นําออกเราไม่นำพวกขั้ทรัพย์นําไม่ยำสมบัติซึ่งเป็นสมบัติตามความเป็นจริงออกจากสังขารร่างกายออกจากขันหา้าขันห้านี้มันเป็นเรือนรังของสมบัติและวิบัติถ้าเราฉลาดเราก็ได้สมบัติถ้าเราไม่โง่เราก็ได้ความวิบัติเพราะเราเสียตรงเสียดาย เหมือนกับไฟไหม้ไฟไหม้มันหยุดตรงไหนล่ะมันมีพักเที่ยงไหมละ่ะไฟไหม้ไพชราพญาทิมรณะมันไม่เคยยุติมันไม่เคยผ่อนสั้นผ่อนยาวมันทําหน้าที่ของมันทุกขณะเหมือนกับไฟไหม้บ้านน่ะเราก็นั่งดูยืนดูเฉยเลยไม่ขนสมบัติสมบัติที่พอจะได้ก็คืออะไรเอามาตื่นขึ้นมาทําคุณงามความดีกับพ่อกับแม่หาสมบัติกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับพี่าสาวน้องสาวพี่ชายน้องชายมาตริปิตริวาปิอทเชัยธรรมีปาตรินันเห็นไหมละ่ะนักปราถนาสมบัติ ฝังสมบัติฝังอย่างนั้นไม่เหมือนคนโง่คนโง่ฝังสมบัติพระเจ้าก็เคยพูดไว้ตรัสไว้เรื่องคนโง่ฝังสมบัตินิทิงนิเทติปุริโสคัมพีระหุตกิกตเกอัทเทกิตเกสมุปันเนอัททยะเมผะเวสติราชตวดัดรตัสสะจระตอปิริตสวะอินัสมาปโมกขะยะดุพิเคอปดาสวานี่เป็นโอวาทคำสอนครั้ง 2,000 กว่าปีกระทาะกระทั่ง 2, กร ะ, ะ, ะเทือนมาอยู่ทุกวันเนี้ยนี่ของจริงออื มูโรดโง่พรชาตราสอย่างนั้นเลยมูโรดโง่คนโง่ว้เชื่อซื่ อ, อนี้ล่ะไหวพวกเรานี่ยล่ะคนโง่กลัวสมบัติวิบัติสิ้หายกลัวไม่เป็นประโยชน์ก็เลยเอาสมบัติไปฝังไว้อุนทะกาังตเกงฝังไว้ลึกๆขุดไปลึกๆ ถ, ถึงน้ําเป็นที่สุดท่านว่อย่างนั้นอ่ะอุนทะกาังตเกฝังไว้ทําไมล่ะอัดเทกิตเยสมุปันเลเพื่อว่าเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในเหตุการณ์ข้างหน้าอัดท่ายเมผวิสติราชตวารุตสระ เกิดราชฎร์ภัยโจรภัยโจรตเปรตตสวะอีนัสสวะปโมกข้าจะลุภเพเคเข้ปรัสสวะเกิดทุพภิกภัยเข้ายากมากแพงเกิดความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้ขุดสมบัติเหล่านั้นที่เราฝังไว้ลึกๆนั่นแหะขึ้นมาใช้นั่นเพราะว่าอย่างนั้นอยู่พวกคนโงท่ทว่ารคดานั้นเลยนะน่าอายจะตายได้บ้างไม่ได้บ้างพราองว่าอย่างนั้นเพราะอะไรล่ะเพราะฝังไว้ลึกๆนั่นแหะ บางทีพูดที่ไปร่วมขบวนการฝังนะ่ะอาจจะทะเลาะ ก, กันอาจจะไปขโมยเอาบางทีพญานาคก็มาขโมยเอาไม่มีใครมาขโมยเจ้าของหลงหลงลืมลืมลืมที่ฝังเจ้าของตายเปล่าทรัพย์สมบัติที่ฝังไว้ลึกๆก็เป็นโมฆะซะไม่เป็นประโยชน์เสมอไปท่านว่าอย่างนั้นไม่เหมือนนักปราบบัณฑิตท่านฝังสมบัติอืมีเราสอนใน พัฒนบริษัทในสาวกสาวพิการของเราแล้วก็สอนสอนให้ฝังสมบัติฝังสมบัติฝังสมบัติปตไปลึกๆเหมือนกันนั่นแหละ ม, มาตริปิตริวาปิอัโทโธเชธรรมหิพาตริทําเถอะทาคุณงามความดีกับพ่อกับแม่กับพี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายอืมจะเป็นบุญเป็นกุศลก็อสำนักชีพราหมอย่างพวกเราทํากันนั่นแหะครูบาอาจารย์มามีอะไรมีบาดเปล่าๆมาได้เข้าเต็มบาทไม่ช้านี่เห็นไหมละ่ะ ความหิวโหยก็กระจัดประเป๋าไปจากศรัทธาคณะศรัทธาญาติยอมที่พวกเรามีมีน้ำใจให้กันและกันนั่นเห็นไหมละ่ะมาเพราะอะไรเพราะพวกเราหาสมบัติฝังสมบัติได้สมบัติฝังสมบัติลึกขนาดไหนละ่ะถึงจิตถึงใจไหมละ่ะถ้ามันถึงใจไม่มีเลยละ่ะไม่มีใครมาขโมยเห็นไหมละ่ะมันลึกถึงใจถ้าไม่ถึง ถ, ถ้าไม่ถึงใจก็ฝังใหม่ให้มันถึงใจถ้าถึงใจแล้วจะไม่มีขโมย ไม่มีใครมาเขย่าก่อกวนมันได้ไม่มีใครมาลักกันมากโมยภัยอะไรเกิดขึ้นมาต่อต้านได้ทั้งหมดละ่ะเพราะอะไรละ่ะเพราะเป็นธรรมะธรรมะเหมือนพลังงานของไฟฟ้าเนี่ยยิ่งกว่านี้ด้วยอีกท่านไปไฟฟ้าเขากระจายมาเป็นไฟฟ้าขึ้นมาปั๊บเขาจะเปิดกระจายไปทําความร้อนทําความเย็นทําความสว่างได้หมดแั้วละ่ะอันนี้บุญเหมือ น, นกันนะ่ะมันจะเป็นพลังงานให้เราเรื่องหนุนจิตใจของพวกเราฟูขึ้น มีเวลาคิดอัานตรายตอนใคร้ควรเรื่องปัญหาข้างหน้าถ้าจิตใจของเราไม่มีบุญไม่ความชุ่มเย็นมันจะว้าบุนขุนมัวอยู่มันจะมีแต่เอาเครื่องอันวยความทกเหมือนสัตว์เดรัจฉานเขานั่นแหละสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีเวลามเวลาเขาไม่มีโอกาสเขาไม่มีโอกาสจางพวกเราเพราะอะไรเพราะวิบากกรรมของเขาเป็นอย่าง น, านั้นไม่มีใครไปทําให้เนะไม่มีใครไปกระทําแต่วิบากกรรมกระทำของเขาเองเพราะอะไรเพราะวิบากกรรมไดริฉานาเครื่องมือของเขาแค่เดรัจฉาน เป็นสารนรกเป็นเดนรัจฉานเป็นเปนรตวิสัยสุรกายมีแต่ความต่ําไปจากเ อ, อสุขติภูมิอย่างพวกเราพวกเรานี่เป็นสารตั้งต้นของคุณงามความดีทั้งหลายจะปราถนาอะไรได้ทั้งนั้นละ่ะปราถนาอะไรละ่ะปราถนาเอาสวรรค์สมบัติก็ยังได้มนุษย์สมบัติก็ได้ตลอดถึงนี้ผ่านสมบัติก็ยังได้จากความเป็นมนุษย์เนี่เหลือวิสัยตรงไหนละ่ะเี้ยนักปราดว่าขนานั้นตะรัสขนาดนี้นะปรารถนามียอดปรารจอมปราราคือพนระเจ้าเป็นประธานตรัสเรื่องนี้เรื่องเหล่านี้พระองค์เจ้าโกหกตลายอย่างพวกเราเป็นไหมล่ะ ไม่เหมือนโลกเนี่ยทำไม่เหมือนโลกอยู่คนละฝั่กับโลกอยู่โคนละฝั่งกัโลกมีแต่ตรัสเรื่องมีแต่ความสัตว์ความจริงเห็นธรรมชาติที่เป็นจริงอย่างจีนว่าฆ่าตัวพระกว่าตาทำโมนี่พวกเรากล่าวตะกีน้นี้พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วดีจริงจริงนะพระสงฆ์กับผู้ปฏิพฤดปฏิบัติปฏิบัติชอบชอบด้วยเหตุด้วยผลชอบตามอัตตาธรรมชอบกระทั่งบัดะบวนการของกิริยาการมาเป็นเนตีแบบฉบับแทนองค์ศาสราพระเป็นเรื่องเดียวกันกับคําว่าศาสราพระพุทธพระธรรมสงอ์ อ, อแยกเป็นน า, นาวัตถุก็ว่าเป็นพระาราชนตรไรว่าหนึ่งสองสามพระพระพุทธราษัมป์สอ์แต่ขมวนเข้ามาก็คือเป็นหนึ่งอเอเกกผูตามปนัตโตท่านว่าอย่างนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือความรู้ความบริสุทธิ์พดท่องก็คือธรรมชาติที่อยู่กับพระทัยของพระเจ้าหรือจิตใจของพระครูบาอาจารย์ท่านออกไปจากขบวนการเหล่านี้ล่ะเพราะแยกไกลก็เหมือนเป็นวัต ถ, ถ, ถ, ถุวัตถุมันวัตเหมือนนั้นเหมือนนี่นั่นเห็ น, น, ห น, น, หนไหมกระจายไป พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมพระธรรมเป็นธรรมชาติที่พระสงฆ์ส่งไว้พระสงฆ์ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็โลกีเลี่ยมกี่เลี่ยมก็เป็นอันเดียวกันท่านถึงว่าเอกีภูตามปณัตโตพวกเราไม่เห็นพวกเราไม่รู้ก็เลยเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นพุทโธธรมธรมสบเหตาธรรมโมสั่งขานัฐาริโตสั่งโคลจะซาวโกบุตรสะอิจเจ ก, กับวัฒเมวิรังวิสุทธังอุตมงังเศรษฐังโลกาสมิงรัตนัตยังเป็นสระเป็นที่พึ่งของ โลกได้อย่างเป็นความชอบธรรมจริงๆเพราะอะไรเพราะความจริงคือความจริงไม่เหมือนความจอมปลอมปิ้นปล่อนหลอกลวงก็คือความจอมปลอมมันโกหกให้เรานอนไม่จมนอนจมปลักนอนไม่ตื่นกลัวว่าเราจะกลัวเราจะได้ดีมันจะต่อมเราด้วยวิชาของความชำนาญของเขาแล้วเราจะได้เหรียญทองตรงไหนเราปรารถนาความเป็นเลิศมันเลิศตรงไหนล่ะ มีแต่วความอ่อนแอมีแต่วความโง่ขะเขาะก่อปัญญาเอาปัญญามาจากไหนเอาความรู้ความฉลาดมาจากไหนต้องเอาปฏิกริยาของนักปราดเริ่มตั้งแต่มาทํากิริยาการมาขอนขวายทําบุญในฐานเบื้องต้นจากนั้นก็มีศีลขึ้นมาเพราะสมาทานเจตนาขึ้นมาก็เป็นศีลแล้วนั่นเป็นธรรมขั้นหยาบจากนั้นก็มีเวลาใค ร, คร้ควรแต่ตองมาฟังอัดฟังธรรมฟังเทศนาว่าการจากองค์นั้นองนี้เพื่อได้ตรงกับจริตนิสัยของแต่ละคนนี่ยฟังของจริงก็คือเรื่องอัดเรื่องธรรมเอาไป บังคับเจ้าของตีเจ้าของบังคับเจ้าของอยาให้มันออก <c oughs> สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตของใจสมาธิเกิ ด, เ ก, ดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเพราะความอดความกลัน้นความอดความทนความมีสติเป็นเครื่องประคับประคองไม่มีใครเก่งเกินใครหรอกมีแต่ความฉันท่าอยากได้ใครดีของแต่ละบุคคลที่ท่านดีขึ้นมาได้เพราะอิทธิบาท <c oughs> ฉันท่าฉันท่าคือความมุ่งมั่นที่จะดีมันต้องมีมันต้องดีขึ้นมาที่อย่าเอาความอยากออกหน้าออกตาเอาฉันท่าตั้งไว้เป็นปณิธานไว้ฉันท่าเกิดขึ้นมาวิริยะความอุตสาหพยายามสกิรกายตามฉันท่าที่มุ่งมั่นเห็นไ้มละ่ะวนการตามมาวิริยะจิตตาวิมังสามันจะตามมาเป็นพลวนไม่เหมือนความอยากความอยากนี่หน้าด้านมากอยากจะดีไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้เอาแต่ความอยากออกหน้าออกตาพอไม่เป็นไปตามความอยากก็ตี ตำหนิว่าจะของตาต้อยได้ ว, วาสนามันวาสนาอะไรนักหนาละ่ะทําไมไม่เอาทําไมไม่ขวนขวายใครมันยิ่งกว่าใครความเป็นมนุษย์ก็เลิศแล้วมนุษยปติลาพอเราได้ขนาดนี้เราจะไม่พอใจอีกเหรอเราจะเอาอะไรอีกยิ่งกว่านี้มีอะไรอีกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วเออเราเสียโอกาสมามากแล้วหนูน้อยให้เร่งพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่ามันจะเน่าเฟะอยู่เวลานี้เพราะไม่ควนขวายเอาอืมจะไปเอาอะไรอีกละ่ะ ตลาดของเรามีเวลาของเรามีจํากัดชาติชราติพยาธิมรณะไม่รอใครไปช้าขวางหน้าอยู่ไม่รอใครล้วกลัวอะไรกลัวเจ็บกลัวเป็นคนนั้นเป็นนี้มันจะเป็นอยู่แล้วล่ะือความเป็นมันเป็นอยู่ทุกขณะเกิดทุกขณะตายทุกขณะเกิดตายเกิดตายเกิดดาบกิดดาบตามวิสัยของเขาพระเจ้าว่าไม่ว่าเกิดไม่ไม่สำคัญสําคัญมันเป็นขึ้นอยู่นั้นท่านว่าเป็นนิยานิกรรมอุปปาราวาภิกเวตัาคาตานังอนุปาราวาสถทาคาตานังนี่เป็นโอวาทคำสอนพระองค์เลยนี่ไม่เป็นอื่นนี่ เราตระถาโคตรอวดก็ทำไม่หวติก็ทำาาสภาว่าทำเป็นอยู่อย่างนั้นละ่ะนพระองค์ไม่ได้อวดดิปวดดีไม่ได้อุปโลกธรรมะเอ้พระองค์ไปชี้ช่องบอกทางเรื่องธรรมะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอืมพวกเราเน่ยเกลียดส่วนหนึ่งกล้าส่วนหนึ่งรักส่วนหนึ่งชังส่วนหนึ่งวุ่นวายไปหมดพวกเราพวกหาเรื่องชอบเรื่องพ่อผาเรื่อง นั่มันก็เลยได้แต่เรื่องไม่ไม่แก้ไขปดเรื่องเรื่องสราวที่มันเกิดกับใจเจ้าของเป็นแห่บัลลิงกีตลอดเพราะตัวไม่ถูกละแต่มันเป็นทมาอย่างนั้นเวลาแก้แเวลาจะแก้แก้อยากจะแก้แบบง่ายแบบสบายๆซับๆอยากเรามีบ้างไม้เอเอเ อ, เอาวิชา ง, ไงไ่ายๆมาให้เราบ้างตายละถพวกเราเน่ะมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้ล่ะเอาวิธีไหนวิธีมันจะง่ายถ้ามันง่ายมีวิธีง่ายาศายสดาฉลาดขคณนท่านไพโร่ไม่ประทานเออวิธีรัดนัดไม่ใช่ง่ายๆว่างไม่มีก็ยังว่าไม่มีอืม นยากจะมีความคมมีดอยากจะคมและเกลียดหินไม่กล้าเข้าใกล้หินไม่มีทางคมเขาสัตว์ขัดเอาจนว่าสัตเอาจนว่าบางขึ้นมาก็ยังไม่ได้คมเพราะต้องการคมประเภทไหนประเภทไหนคมของจิตของใจคมให้ยิ่งกว่ากิเลสซึ่งมันโง่เขลาว่าปัญญามันเมื่อดหนาะปัญญาเถือนก็คืออาสะวะก็ ค, คือกิเลสแต่ละอย่างแต่ละอย่างออความสว่างของใจมีอะไรยิ่งกว่าจิตกับใจซึ่งมันมีปัญญาเป็นเครื่องประดับเหรอ นาทีปัญญาสมาภานักปราถนวาอย่างนั้นพร ะ, ะพุทธเจ้าเป็นประธานประธานไประวาดคํานี้ไว้ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าปัญญาที่ประดับจิตอยู่กับจิตกระจายจิตใจมีปัญญานี้สามารถทะลุทะลวงอาสะวะได้ทั้งหมด <c oughs> มันจะหนานแน่นแก่นวัตรมาจากไหนใครมามันจะโง่ขนาดไหนโง่ามาความความรู้ปรากฏแค่นั้นละ่ะความฉลาดตื่นตัวความรู้ปรากฏตัวขึ้นมาทะลุทะลวงหมดสวามมด่างหมดรู้หมดเสียสละได้หมด เออวางอุปทานยึดมัน่นถือมั่นมากี่ปีกี่เดือนกี่กับกี่กันอย่าไปสําคัญสําคัญให้มันยึดมาเถอะวิธีคลายน็อตมันมีอยู่นี่มันคลายไม่ออกเอาน้ํามันอเนกประสงค์ครอบจั ก, กรว า, มาลมาฉลองเข้าไม่เหลือวิสัยนะ่ะแค่จะมาคลายนอ็อตเขายังมีวิธีการอันนี้เขาไม่คลายใจออกจากอาสวะหล่มลึกเออ ม, มันติดหล่มเพราะอะไรเพราะอะไรความอะไรยอาวรณ์อะไรเสียดนิดนิดนี่เดียวนั่นน่ะนิดหน่อยแค่นั้นแหะอะไรมันอะไรอะไร่ะทําไมเราไม่สลัดความอะไรตัวนั้นให้มันเห็นสัก ตั้งนะเอาสักตั้งนะความเพียรของบุรุษสตรีมียกขึ้นมาสิยกขึ้นมาบ้างเวลาทำกรรมพยากรรมเพียรเวลาตั้งสติเราตั้งสติเราตั้งมั่นสติคือความระลึกรู้ในรารของเราจังเหรอไม่ต้องไม่ต้องไปรู้จิตรู้ใจคนอื่นละให้มันรู้ใจเจ้าของในเบื้องต้นจากนั้นมันจะกระจายไปเองอืมบังคับให้มันรู้ใจเจ้าของก่อนอยากจะรู้เรื่องราวทั้งหลายจากอยู่รู้สภาวธทําตามความเป็นจริงมันไม่ผลเพราะเยีใจเราเป็นฐานของความรู้อยู่แล้วนี่แต่เวลานี่มันวอกแฝกครอนแคลนทายไปสวด สามโลกกธาตุมีหมือนหมื่นโลกกธาตุมันก็จะไปให้หมดหมดล่ะอืมเห็นไหมล่ะเห็นอำ น, นาจของความสายใยไหมแล้วมันมีฤทธิ์เดชมันมีดีตรงไหนความสายใยพระเจ้ารับรองตรงไหนล่ะอเอพระเจ้ารับรองความเป็นหนึ่งต่างหากยกเจ้าของให้เป็นหนึ่งเป็นสองกับสติอาการของสติก็คืออะไรกัพุทธโธบ้างอารมณ์หายใจเข้าออกบ้างอานาปานสติบ้างอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่เหตุการณ์ของความเป็นจริงเกิดขึ้นมาอะไรเกิดขึ้นมาตอนเอาตรงนั้นมาเกาะ ือ ม, มันจะมีใจและอารมณ์ของใจอารมณ์ของใจตอนนั้นมีอะไรบ้างอะพรพระเจ้าปรับตาสรู้วันนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์อานาปานสตินั่นเห็นไหมอัมอนุสติกับอารมณ์อารมณ์ใจเป็นอารมณ์หนึ่งสองกับลมหายใจเข้าออกเกาะอยู่นั้นแหละจนกระทั่งเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาตามความจริงความจริงอะไรเกิดขึ้นก่อนกิเลสมันเกิดขึ้นก่อนด้วยซ้ําไปือพยามารเกิดขึ้นมาก่อนปดังมาประดงัปะดงประดังขึ้นมาตอนแรกคือพยามาร เราก็ได้ศึกษาตามตลอดปีากี่ยวกับขันธ์พยามารพยามารยกทัพกระบวนการพยามารพระลามานเสนามานยกทัพมาเป็นขบวนขบว น, บวนเห็นไหมแต่เราก็ว่าอะไรไม่ยิ่งกว่าไปกี่กับขันธ์ธมานขันธ์ธมานออกจากพระทัยของพระองค์กุ่นคลิดเ ค, ค, คร่ครวนไตรตอง ข, ขึ้นมารู้ขึ้นมาขณะที่ม่าอยู่เป็นปกติกับทุกระดับหนึ่งแต่ในขณะที่เอาจริงเอาจังของพระองค์เจ้าเอาจริงเอาจังในคืนวันเพ็ญฤหัสหง่ะ พรงเจ้าปฏิญาประทั้งปณิทานว่าจะไม่ลกจะไม่ให้เป็นอื่นยิ่งนอกจากความตรัสรู้ความรู้แค่นั้นละ่ะพอพระทัยของเราเออพอใจของเราคือความรู้ตราบใดที่ยังไม่รู้จะไม่ลกเห็นไหมละ่ะทําไมจะไม่เจอทางตันละ่ะมันเจอทางตันทางออกไม่มีคือปิดกัน้นโดนปิดกัน้นเ อ, อมารทั้งหลายขมารดิปรังประเดียขมาคือขันธ์ถมันมากลุ่มลมพระทัยของพระองค์เสด็จท้าเธอมานั่งงมโคลงทําไมเธอมานั่งเลาะคมทมทุกทําไมเธอมาลําบาก ล, ำ บ, ากลำบนขนาดนี้ทำไมเธอกลับไป อ, อบ้านไปเมืองเดงนี้เธอก็เป็นกษัตริย์เป็นจั ก, กรกษัตริเดี๋ยวนี้เธอทําไมไม่ไปหาสมบัติเธอทิ้งสมบัติมาสู่ความวิบัติความทุกความยากความทุกยากลำบากทาไมเห็นมไหมละ่ะมันกล่อมออพระองค์เจ้าไม่มีหรือศรัทธาไม่มีหรือมีเฉพาะเราหรือความกล่อมอย่างนั้นละ่ะทําไมเราว่าดใจเราทํำไมเราไม่ว่าใครต่อใครมีอย่างเดียวกันเหมือนกันก็คือขันขันธรรมานขันความเป็นจริงของขันขันเขาก็แสดงตามความเป็นจริงอริยบทมันทับเวลานี้เกิดขึ้นแล้ว อทกเกิดที่หัวเข่าทกเกิดที่ก้นทกเกิดที่ทั่วสัพรางร่างกายที่มันจะเกิดมันจะหวั่นไหวง่ายตรงไหนมันเก่าเคยตรงไหนกว่าตรงนั้นล่ะทุกทีที่มันนั่งปฏิบัติธรรมปังปฏิบัติธรรมนี่แหละแต่ทำไมขบวนการนั้นทําไมเกิดเอาก่อนนั้นก็คือสภาวธรรมถ้าเราไม่เห็นสิ่งนั้นจะเอาอะไรมารู้ล่ะพระเจ้ารู้นั่นล่ะรู้หน้าตาของสิ่งเหล่านั้น่ะถึงว่าหน้าเบื่อหน้าเบื่อหน้าเกลียดหน้าว่างหน้าปลงหน้าว่างแต่ปัญญาของพระองค์ไม่ได้อยู่แค่นั้น หมุนรอบหมุนรอบดูความจริงความจริงคืออะไรสิ่งขบวนการเหล่านี้คือคือทุกขัสัจจะซึ่งเขาเขาเป็นของจริงขันธมารอย่ามาเป็นเครื่องต่อรองกับเราเราไม่ลุกเราไม่อ่อนแอเราไม่เป็นไปอย่างที่เธอว่าเราไม่เกลียดเราไม่กลัวแต่เราอยากจะรู้ว่าขบวนการเรามันเป็นอย่างไงเพราะเราต้องการความรู้เวลานี้ยเราต้องการความรู้เราไม่ต้องการซับสลิงคานซึ่งอยู่ในบ้านในช่องเราเป็นมาแล้วแล้วเราเราเกิดมาเรารู้เราน่าจะเป็นมาแล้วเราเชื่อว่าเราเป็นมาแล้วเราไม่อยากเป็นแบบนั้นอีกเราอยากยุติเราอยากเออ จเจอความบริสุทธิ์ยิ่งกว่านั้นเราถึงมาจะว่าทนทุกข์ก็ทนทุกข์ถ้าไม่ทนต่อความเสียทานอย่างนี้เราจะไม่เคินความรู้ความรู้รยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วเอาอะไรมาพาเบื่อพารู้พาเห็นเราเชื่อทางเสนนี้ย์ยามาล่ำอะไรกับเราพรยามานมานเธอจึงไปส า, านเห็นนั้นแหละามันได้ใกล้พระทัยของผู้เอาจริ ง, อรงเอาจริงได้ขนาดนั้นเราถึงยัไม่จริงจังขนาดนั้นก็ให้มีร่องรอยบ้าง เวลจะเอาจริงอมมันก็นสักตั้งนะฝืนมันบ้างฝืนมันจนเกิดขึ้นมายุบยุบยิบๆมันฝืนเท่าที่ฝืนได้นะปราบบัณฑิตท่านเอาอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าจะเอาง่ายๆวิชาง่ายๆเรามาสารณางคช า, าติมิมาทำหนิติชินทรรว่าจะของอำน้อยอำนาจน้อยศาสนาน้อยบุญน้อยแล้วก็เอออย่างนี้ล่ะ ไ, ไปเป็นอย่างนี้ล่ะเราสร้างบารมีไปก่อนออนาคเตกางเลยเพื่อเจอพระเสาริยเมตรายท่านโอ้ยแล้วไม่พ้นต้องไปขวางโลกขวางธรรมนั่นแหละอย่างพวกเราเนี่อยอเกิดเจอพระองค์ท่านก็โอ้ยพระองค์ท่านก็คง เคียลตั้งแต่หน้ากว้านนั่นแหะอยาเข้ามาเกะกะระลางคนอื่นพราอะไรละ่ะเพราะพวกเราไม่ชําระชะหล้างเบื้องต้นชําระก่อนอขอนซุงทั้งท่อนจะไม่ขวางหมู่ถ้าว่าขวางธรรมมันจะไม่พ้นเป็นอย่างนั้นหละ่ะพวกเราความจริงก็คือความบกวนเวียนไหวใจเกิดเป็นของประจําจิตใจไม่มีเป็นอื่นยาเข้าใจว่า จะไม่เป็นอย่าเข้าใจว่าถูกกระทำหรือใครมากระทํากรรมและผลของการทำหนะ้าที่ไม่เคยลดลาวาศอบไม่เคยอ่อนลา้าไม่เคยทอดทุระของเจ้าของชำนาญมากกรรมและผลของกรรมกิริยาการที่มันชำนาญอยู่ที่ภาชนะคือจิตคือใจใจก็ใจใครละ่ะใครรับผิดชอบใครเราต้องรับผิดชอบเรา จิตใจของแต่ละคนมันมีภาระหนักอึ้งขนาดไหนก็ตามแต่จำเป็นต้องชาระของเจ้าของเองไม่มีใครจะเป็นภาระรับภาระซึ่งกันและกันได้ของใครก็ของเรา limp. เห็นไหมละ่ะถ้าทําแทนกันได้ป่านนี้พวกเราหมดไปนานแล้วล่ะเกลี้ยงโลกละเท่าที่เป็นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเหลือวิสัยเกินความเป็นจริง ความจริงก็ได้มีาศาสดาประธานเป็นพรอวาดความเป็นจริงอย่างหนึ่งก็คือพวกเราตระกิตกายขอนไข อ, อุตสาพยายาม ฝ, า ฝ, า ฝ, าฝา่าฝืนดลนด่นต้นไปเอาเรื่องที่ได้ยินได้ฟังนี่แหละปัญญามันพอมีทางช่องทางเกิดขึ้นได้จากการาได้ยินได้ฟังมาสลับกลับฟังมาเอามาคุน้นคิดคล้ายวนไตรจองดูท่านว่าสุตตะกินตะเดีย๋ยวรอถึงภาวนา งานที่จะทำให้เกิดความเป็นจริงในความรู้ของเราก็คือภาวนาภาวนามยปัญญาจะเป็นความเป็นเลิดมากเลือดจนกระทั่งาสามารถทำร้ายทำลายสิ่งที่เป็นอุปสร ร, กรคกีจขวางความจริง สมุทัยทั้งหลายมันจะทลายไปจากจิตจากใจเพราะอํานาจของความจริงก็คือปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาไกล้ครวนแต่ต้องซักฟอกเช็ดถูจนกระทั่งสะอาดสะอาดขึ้นมาแล้วมันไม่กลับไปสกปรกเป็นปริเฉีประหารขาดสบั้นไปจากโลกไม่มีอะไรอววรไม่มีเยื่อใหญ่เท่าที่มันเยื่อมันใหญอะไรอววรทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะอํานาจของอาสะวะทั้งหลายมันมีอานาจมันเรื่องอำนาจอยู่ภายในจิตในใจของเรานี่เจอมาเห็นชัดในภาคปฏิบัติ มันอะไรมันอะไรเข้าใจว่าเจ้าของสาคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราร่างกายก็คือหมายมั่นว่าเป็นเราเราในประเภทขึ้นมาแล้วก็เหมาเหมาโลกทั้งโลกว่าเป็นเราซะเองอุปท า, านยึดมั่นถือมั่นมันอุปท า, านยึดถือยึดมั่นในขันทั้งหว่าเป็นเราเข้าใจว่าขันห้าเป็นเราแต่ความจริงนักปราชญ์ว่าเป็นแค่ภาระ ทาร่าในการเกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาเป็นไปด้วยกันแล้วจําเป็นต้องกิดขยัดปัดเปอบอํานาจของจิตของใจอํานาจของสิ่งเหล่านั้นมาเกิดเป็นมาแมบเหมือนมากดท่วงมันมาเป็นเครื่องทําร้ายทํำลายเราอย่าคิดว่าในมุมนั้นเราต้องคิดในมุมกลับกันคือเป็นอุปการรักคนเป็นขบวนการเป็นวิชาการเป็นขลักการเป็นเรื่องเรานํามา อผลิตโรงงานผลิตธรรมะโรงงานผลิตเรื่องคุณงามความดีโรงงานผลิตเรื่องศีลก็คือกายวาจาโรงงานผลิตเรื่องสมาธิก็คือจิตคือใจโรงงานผลิตปัญญาก็คือใจทึ่งพ้นไปจากสมมติเป็นวิจิตวิมุติละเอาอะไรก็คือจิตคือใจที่ผ่านโลกผ่านสงสารนั่นละเมื่อยเหลือเนีืยพอประมาณแล้วเนาะ มองโดนอนุลิกาชงเลืองอนุลิกากลัวมันเกินอมเจ้าหน้าที่พนัก ง, งานให้มีเวลาอืดย่างนี้ก็เป็นเรื่อลๆหน่อยถามไม่มีใครเป็นหาอะไรการพูดธรรมะทำโมการแสดงเรื่องอัดเรื่องทำข้ออัดข้อทำเท่าที่ว่ามาเนี่ไม่ยู่นไกลไม่อยู่ไกลไม่อยู่ใกล้อยู่ตามความจริงที่ฐานของมันก็คือจิตจิตใจมีกันทุกคนไม่ใช่ว่าพระเจ้าตรัสรู้ผ่านไปสองพันกว่าปีพระเจ้าจะนำธรรมะ ไปเพราะพระเจ้าไม่ได้เอาธรรมะมาอืมธรรมะเป็นนิยาเนกาเป็นของอยกัดของเหล่านี้ฝ่ายแก้ไขถอดถอนฝ่ายผูกมัดก็คือสมุทยัยพระเจ้าก็ไม่ได้แกล้งใครเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาโปรยวัชพืชไว้ไม่เหมือนบริษัทท้างร้านเขาจะขายวัชยาปราบศัตรูพืช อันนี้เรื่องโลกเป็นอย่างนั้นเหรอมาโปรโยวัชพืชไว้แเราก็ประกาศโฆษณาว่าอันนั้นเป็นวัชพืชไม่กมดีต้องมาซื้ออืมยายี่หอด้วยยาหอด้วยไปเพื่อกำจัดวัชพืชอืมใครอยากดีอยากดีต้องมาสู่พวกเราต้องมาเป็นสาวกสาววิการของเราราเป็นสาวสตราเห็นไหมละ่ะโลกเรื่องโล่งโลกจะเป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นไม่ใช่ผู้ลวงโลกประกาศเปลี่ยงเลยวัดเราไม่ได้เก่งเห็นไหมอย่ามาว่าเราเก่ง คนนับถือว่าเราดีอย่างนั้นอย่างนี้ว่าพระเจ้าดีเลิศอย่างนั้นโอ้ยซาตุเขาไม่มีอะไรหรอทิ้งที่เพลพวกเธอกํลาลังว่าอย่างนั้นอความเป็นพระเจ้าไม่ได้ดีสิ่งที่มันดียิ่งกว่านั้นก็คือบา ร, รมีท่านไหอย่างนั้นนะพระองค์ว่าอย่างนั้นคือของจริงคือบา ร, รมีเริ่มปติทานั้นบา ร, รมีถึงอืเวทขับบารมีบา ร, รมีสิบทัศสาสิทัศที่มหาปรุทท่านสร้างนั่นแหะตะเกียรติกาสร้างมารีอสงไขล่ละเฉพาะองค์ปัจจุบันนี่ เสีสงไข่แสนมา ก, กันบางองค์สิบหกสงไข่ท่านสร้างบารมีสร้างบาร ม, รารมีจนกระทั่งเป็นกายเป็นพระเจ้าเป็นผลมาจากการสร้างบารมีเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าคิดน้อยเนื้อต่ําใจพวกเราสร้างบุญสร้างบุญบารมีจากการสดับตับฟังจากการได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้ละ่ะจะเป็นกระบวนการของทําคนงามข่มดีเอาละการฟังธรรมะการแสดงธรรมะก่อนเห็นว่าสมควรเก็เวลาขอหยุดติ